สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงพ่อทาหรือว่าพระครูอุตตรากานบดีพระผู้ ทั้งมีการสอบถามได้ยากเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยมีการบันทึกไว้เรื่องราวของอดีตครูบานี่ถ้านํามาเล่าได้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็ย่อมได้รับกุศลเป็นอานิสงส์โดยเจตนาแต่ถ้าไม่ได้ใคร่ครวนเล่าไปแล้วผิดพลาดก็ย่อมจะได้ หนังสือหลักฐานเก่าแก่สมัยก่อนก็กําลังจะขาดวิน เพื่อความจริงในโลกว่าพระภิกษุสงฆ์ไทยกล้ารับรองในการปฏิบัติให้เกิดอภิญญาฌานสมาบัติชั้นสูงได้หลวงพ่อ ในจังหวัดนครปฐมเค้าเรียกนามหลวงพ่อทาว่าหลวงพ่อเสือก็มีเหมือนกันท่านจะดุเหมือนเสือหรือว่าเก่ง สมัยนั้นกองทัพไทยได้จัดการให้ผู้คนชาวเวียงจันทน์เนี่ยเช่นลาว ลาวซ่องลาวพวนลาวพุงขาวลาวพุงดำแต่ปัจจุบันไม่มีโอกาสได้เห็นลาวพุงขาวพุงดำซะแล้วล่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยจนหมดแล้วหลังจากได้มาอยู่ในผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญอาหารทํามาหากินได้อย่างเป็น หลวงพ่อทานี่ท่านเกิดประมาณปี พ.ศ. 2379 ครับบิดามารดาย้ายมาอยู่บ้านหนองเสือมี เพราะว่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ท่านเป็นเด็กที่พูด ที่เป็นที่เกิดจรถันโดยแท้เมื่อเรา 15 ปีโยมพ่อ จัดการบัพประชาเป็นสามเณรสามเณรทาแห่งบ้านหนอง ศาลาแล้วก็ฐานก็คือ 5 ปีหลวงพ่อเจ้า ในประวัติๆท่านได้ศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัยแล้วก็เรียนภาษาบาลีอย 8 อย่างแก่ลูก 2 ท่านมี 4 ท่าน 5 ท่าน 6 ท่านมีความดีเป็นเครื่องประดับ 7 ท่านมีศัตรูก็คือกิเลสภายในนี่ 8 ท่านเป็นผู้ชนะ ทางด้านการปฏิบัติธรรมสมัยกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปที่ กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมากพระภิกษุธาก็เลยได้รับการประสิทธิ์ประศาสน์วิชาต่างๆอีกหลายแขนงหลวงพ่อธานสมัยเป็นพระภิกษุหนุ่มท่านได้เข้ากราบลาครูบาอาจารย์ทุกองค์เพื่อออก อยู่ท่ามกลางป่าเขาแล้วก็สัตว์ป่าที่มากมายใน พระบุปผาจารย์ให้เหตุผลว่าเป็นสถานที่มงคล ท่านได้ไปพบ 2430 หลวงพ่อ หลวงพ่อทาเดินสำรวจบริเวณดังกล่าวก็พบราคังโบราณเก่า อำนาจจิตตญาณขึ้นมาก็ทราบว่าสมบัติทั้งหมด โลภมากผู้นั้นหลวงพ่อทาท่าน 30 พรรษาแล้วเวลานั้นเพราะ อีกอย่างนึงเจตนากุศลเจ้าของทรัพย์เค้า บริเวณที่ว่านี้จะฟู้พุ่งขึ้นสูงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีทรัพย์กล่าว ตำบลมากแขอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในปัจจุบันภายหลัง เช่นวัดพะเนียงแตกวัดบางหลวงวัดดอนเตาวิดหลวงพ่อ ยังมีความสามารถในทางอภิญญาเกี่ยวกับ นับตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านมุ่งสู่ป่าดงพงไพรนับเป็น ครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนั้นก็บังเอิญวันนั้นมีญาติโยมไปนั่งสนทนาอยู่ด้วยกันกับท่านการสนทนา แม่นกก็บอกว่าดีเหมือน หลวงพ่อทาหรือท่านพระครูๆสัตว์ป่าชนิด ท่านยังอันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นความสามารถแสดงธรรมะ แต่มนุษย์น่ะมีพิเศษอีกนิดนึงก็ ไม่ชอบการเบียดเบียนบีทาก็เพราะธรรมะนี้ โดยเฉพาะนกเขา หลวงพ่อทาพระอุปัชฌาย์ของท่านอยู่จำมันสาที่วัดพะเนียงแตกตําบลมากแข่อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ชาวเมืองสุพรรณบุรีก็ไม่น้อยที่อุตส่าห์เดินทางมากราบจนเช่นพวกนักเลงใหญ่ การแต่งตั้งโดยตรงจากคณะสงฆ์สมัยนั้นมีกฎระเบียบที่เรียกกันว่าอายาวัดคือให้อำนาจแก่สมภารวัดที่ปกครองโดยเด็กขาดสมัยนั้นวัดตาม ก็เคยเห็นเจ้าอาวาสสมภารวัด ตำบลตาก้องกับตำบลพะเนียงแตกมัก บางก็ลงเรือเอาข้าวสารปักเข็มมาเพื่อจะได้หุงกินในขณะมีงานเรียก หลวงพ่อทาท่านเป็นผู้ตรวจการเองเป็นตำรวจเองทุกปีท่านเดินถือไม้ แล้วทีนี้พวกนักเลงเล่าล่ะนะ ตีไม่ตีเปล่าจับเอาตัวมาทั้ง แต่ที่ทําทั้งที่ต้องฝืนจิตใจวดุนั้นก็เพราะว่า จำเป็นต้องมีพระภิกษุสงฆ์สมณศักดิ์เป็นผู้รักษาพระปฐมเจดีย์อยู่ทั้ง 4 ทิศซึ่งเป็นตำแหน่งแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มี ตำแหน่งทั้ง 4 นี้นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นถึง 2450 นานถึงปี บรรดาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเช่นหลวงพ่อช่ําอินทัจโวโตวัดตาก่องหลวงพ่อ ท่านยังคงชอบนิยมเข้าป่าหาประสบการณ์ 70 80 รูปเสมอวัดพะเนียง ช่วงนี้จะได้ขออวดแล้วท่านก็สอนให้หลวงพ่อทาเป็นพระปฏิบัติท่านให้พิจารณากายวกายนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนกาย กายนี้ไม่ใช่ตัวตนในที่สุดกายนี้แม้แต่คนที่เน่าอืมเน่าเหม็นผุ ก็ถูกไฟเผาไปเป็นดินในที่สุดถูกไฟเผาไปเป็น เห็นเป็นของน่าเกลียดขยะแขยงเห็นแล้วก็ร้องอีเหม็นจังฉะนั้นเวลาคนตาย หรือผ่าบ้านออกซะแถบนึงเพื่อยกศพออกได้สะดวกเวลาไปเผาวัน 3 วันก็เหม็นขึ้นอืดน้ำเหลืองน้ำหนองหนอนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มาจาก แม้จะกลิ่นจะเหม็นเพียงไหนก็ต้องให้อดกลั้นตั้งใจฉันเหมือนปกติปลงธรรมะสังเวชเสียอาหารที่อืมพิจารณา หลวงพ่อทาได้พาพระหมุนเวียนกันไปของแต่ละวันแต่ละคราวสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าสมัยก่อนบวชกันอย่างก็ 3 พรรษาจึงลาศึกออกมาการเวลาขณะเป็นภิกษุทําให้ชาวบ้านที่เป็นชายมักไม่กลัวผีกลายเป็นคนกล้าหาญเป็นที่